กุศลายธรรมะกุศลาสธรรมะอกุศลาสธรรมะ เออสามารถถามได้นะจะได้เป็นประโยชน์แก่แก่ทางขอโ อ, อกาสพระคุณเจ้าเจ้าค่ะในการอบรมครั้งนี้นะคะมีครั้งหนึ่งผู้ผู้พูดเนี่ยค่ะได้กล่าวกับผู้เข้าอบรมไว้ว่าให้ศึกษาในส่วนเรื่องของศีลแล้วก็ในเรื่องของศรัทธาในการอบรมครั้งนี้ก่อนแล้วสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ย ถ้าต้องการถือไว้ปฏิบัติต่อก็ให้พิจารณาเอาหรือแม้นข้อปฏิบัติเดิมที่มีอยู่เมื่อได้สิ่งใหม่อันได้แก่ศีล ส, สัทธาที่เข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยสามารถจะนําไปเป็นตัวที่จะช่วยนําข้อปฏิบัติเก่าของเขาเนี่ยให้ดาเนินไปได้ดีได้รวดเร็วได้ถูกต้องสิ่งที่ลูกเก่าวไป บอกพวกเขาเนี่ยถูกหรือมีสิ่งใดควรเสนอแนะชี้นำกราบขอโอกาสพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ ก, ก็เป็นการการให้ข้อมูล ท, ท, ที่เพื่อให้วิจัยพิจารณาเนี่ยเพราะในคำสอนของพระศ า, าสดาเนี่ยเหตุผลชัดเจนที่เราจะต้องเดินที่ประเด็นอยู่ที่ว่าก็ยังคุยกับทางวิภาษาว่าออตัวท่านเองก็วิ่งมาเยอะ เหน็บยิยงมาเยอะก็เลยมีความรู้สึกว่าบางคราเราข้อมูลเรายังไม่ค่อยแข็งแรงแต่เราเรียบอยากจะเข้าไปในห้องปฏิบัติเนาะเข้าใจว่าการหลีกเล่นเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีอย่าไปปฏิเสธเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากเข้าไปบนฐานที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยบนฐานข้อมูลกลายเป็นว่ากลายเป็นอยากจะเร็วมันกลายเป็นจะช้ามากขึ้นเพราะ การที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเนี่ยมันจะเป็นการเปเสพสิ่งนั้นบางคราวมันจะกลายเป็นทิฏฐิและเป็นสําคัญว่ทิฏฐิหรือมาน่ากลายเป็นสิ่งที่ถูกขึ้นมาตรงนั้นนะนะฉะนั้นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมาในยุคปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องจะเงียบสดฟังก็คือคําสอนของภาษาสดาเนะี่ยเรามีภาษาสดาเป็นไปในเบื้องหน้าถ้าหากว่าอมากล่าวคําพูดไหนที่ไม่เป็นไปคําสอนเราท่านทั้งหลายอย่าเชื่อ แต่ถ้ากล่าวเป็นไปกับคําสอนท่านจึงควรถือไปใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าเอามาไปนำสิ่งที่กล่าวผิดมากล่าวอามาก็ทําลายตัวเองด้วยซึ่งเสื่อามาก็ต้องระมัดระวังตลอดไอ้เรื่องตรงนี้ยฉะนั้นจะต้องจะต้องทุกคนต้องรักตัวเองเอามาก็ต้องรักตัวเองเอามาจึงจึงพูดตลอดว่าตนเองไม่ไม่ปรารถนาเป็นผู้นําทางการปฏิบัติ แต่ขอเป็นเพียงแค่เป็นกัญญาณมิสซึ่งกันและกันสอบถามซึ่งกันและกันอย่างนี้ได้ถ้าจะให้ไปยืนอยู่บนบนแนวหน้าพาเดินเนี่ยมาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อาจเอื้อมไม่อาจเอื้อมจะไปยืนอยู่ในฐานะอย่างนั้นเพราะเพราะว่าในชั้นของคําสอนของภาษาสระเนี่ยนะในความคิดของปุถุชนเนี่ยคีดจนหัวแตกก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ใช่ไหมไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ นัสิ่งต่างๆนี้ก็ต้องประมาณตนเองให้อย่าลืมตัวนีสาคัญไม่ใช่ว่าพอได้รับการยอมรับนับถือนิดหน่อยก็ลืมตัวสถาพนาตัวอันนี้เป็นอันตรายมากอันี้อันตรายมากและจะทำให้ตนเอง น, น, นั้นตกคูคลองไปที่สุดจริงๆความเจ็บปวดคือคือใครประกาศเป็นผู้นำเนี่ยนะแปลว่าถ้านำถูกก็ดีไปนะ อย่านำคนเข้าป่าเข้าลกอย่าลืมนะ่าถ้าอมมาให้คําผิดให้คาสอนที่ผิดหนึ่งคำสองคาหรือหนึ่งประโยคสองประโยคไปนี่นะแล้วพวกเราเอาไปปฏิบัติแล้วมันก็ผิดด้วยกรรมที่พวกเราทำนั้นอามามีส่วนได้ทั้งหมดเพราะอามาเป็นคนบอกให้ทำไงเหมือนอามาบอกให้เราไปฆ่ากรรมที่เราฆ่าอามาต้องได้รับส่วนด้วยอามาบอกให้ไปรัก การที่โยงไปลักขโมยเนี่ยอามาต้องรับส่วนด้วยฉะนั้นอามาจะต้องให้สิ่งที่มั่นใจที่เป็นไปกับคําสอนเท่านั้นถ้าอันไหนที่ไม่มั่นใจเอามาต้องบอกว่าเออตรงนี้ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอจริงไหมจริงถ้าอย่างนี้เนี่ยอามาก็ต้องการเปลืองตัวเองและพวกเราทั้งหลายก็ต้องการความสบายใจในการปฏิบัติในทุกวันเนี่ยเราพวกเราเหมือนกับพวกชาวกาลามะเนะ ซึ่งมีคนมาให้คําสอนว่า น, นี่คือคําสอนทางนั้นเนี่ยฉะนั้นเราต้องไปดูในการามสูตรนมันจะได้ชัดนี่ถ้าเอาไปขัดเกาวปฏิบัติเนี่ยถ้าระดับทานในกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมันไม่เจริญอันนี้แปลว่าผิดทางแน่นอนผิดทางแน่นอนเป็นไปไม่ได้เพราะการปฏิบัติมันจะต้องขัดเกากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แล้วมันจะต้องรับ โลภะโทสาโมหะนี่แล้วมันจะต้องเป็นไปเพื่อความปลอดโปร่งโล่งเบานี่ใช่ไหมเพื่อเป็นไปอิสระาจากกิเลสนี่นี่ก็เริ่มจะมองเห็นฉะนั้นที่แม่สิชีถามก็คือกรณีที่ยให้ข้อมูลอันนั้นเป็นสิ่งที่ในขณะที่ให้ก็ในขณะเดียวกันก็บอกว่าอืก็ต้องตรวจสอบนตรวจสอบนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าก็วางท่าทีได้ดีแล้วคำสอน ถ้าหากไปวางท่าทีไม่ดีเนี่ยนะต่อคําสอนซึ่งเราต้องสําคัญเสมอว่าคําสอนตรงนี้เป็นของพระศาสดาใช่ไหมอริยศรัพย์ทั้งหลายเป็นทรัพย์ของพระศาสดาพราเราทั้งหลายมาในฐานะเป็นเป็นพุทธบริษัทเนี่ยงัการที่เราเดินไปตามคําสอนเนี่ยฉั้นถ้าหากว่าพวกเราขึ้นมากล่าวว่าธรรมมาก็พร้อมที่จะฟังได้ทําไมจะฟังไม่ได้ถ้าเรากล่าวเป็นไปตามว่าทำใช่ไหม แค่มันท่าแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดี เ, เรื่องที่ดีเพราะว่าทุกคนเข้าใจพระธรรมหรือถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็ตรวจสอบซึ่งกันเลยกันแล้วก็เอาคําสอนมาเทียบเคียงถ้าบอกเออตรงนี้ไม่ตรงคําสอนก็บอกกันถ้างี้ดีไหมถ้าอย่างเงี้ยมันจะเดินไปได้ได้คล่องกว่าดีดีกว่าว่าถ้าเราพูดต้องถูกเนี่ยอันนี้เริ่มแล้วมันเริ่มจะมีปัญหาทางด้านความคิดแล้วนะ แต่ว่าจะพยายามจะไปกดจิตให้คนอื่นยอมรับเนี่ยอันนี้ไม่ควรทํานะไม่ควรทำแขจขาขอโอกาสค่ะคำถามที่จะสืบเนื่องกันเลยต้องขอในปัจจุบันนี้ตัวผู้พูดเองหรือแม้แต่ท่านอื่นๆที่ผ่านมาอาจจะเคยประพฤติในแง่ของการเผยแผ่ในสื่อธรรมะ ซึ่งมันเป็นธรรมะแบบภาษาภาษรที่เรียกว่าแกงถั่วนะคะคือมันมีความเห็นแทรกบางครั้งเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งในซีดีทั้งหมด10แท็กนั้นเนี่ยมันมีแท็กใดบ้างที่เป็นมิจฉาทิฐิอยากทราบผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เผยแพร่เจ้าค่ะคือคือถ้าเราให้คำสอนที่ผิดและไม่ตรง เขาเรียกว่าให้ธรรมะที่วิปลิตธรรมะที่ให้วิปลิตนั่นแหละท่านวัดผลจากการวิปลิตระดับไหนระดับทานระดับศีลหรือระดับภาวนาไอาตรงนั้นก็ไปดูผลจากตรงนั้นถ้าเราให้วิปลิตระดับทานผลที่ได้รับก็คือระดับทานที่วิปลิตถ้าให้ผลในปัจจุบันก็ทําให้เราวิปลิตในความเข้าใจหรือเข้า คือเห็นถูกต้องในทานากุศลเป็นต้นเราเนี่ยนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็จะไม่เจอแต่หมูนะ่คณะที่ให้แบบวิปริตที่ไม่ค่อยถูกพระธรรมนั่นเลยแต่ถ้าหากว่าผลนี้ถ้าไม่ยอมถอนเพราะไปหกักหักคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้ารู้แล้วต้องถอนต้องกล้าที่จะถอนความเห็นที่ไม่ตรงถ้าถอนในื่อว่าปลงใจแล้วค่ะ ข, ขอโอกาสค่ะ ทีการที่เราจะทำให้ผลแห่งกรรมลดล ง, งจางคลายไปตรงตรงนี้ก็คือถ้าในชั้นคำสอนของพระศาษษษสดานเนี่ยถ้ารู้ว่าความเห็นไม่ตรงเนี่ยก็ประกาศหนึ่งประกาศบอกสิ่งที่เราได้เผยแผ่ไปในสิ่งที่เมื่อหานานี่นะเอามามีอยู่ครั้งหนึ่งได้เดินไป ก, ก่อน เออนึกไม่ออกตอนช่วงนี้นะเอามากล่าวอยู่คําผิดแล้วมีการบันทึกด้วยอามาไม่รู้จะไปกล่าวตอบอยังไงนะมีอยู่ครั้งหนึง่งอ่ะเอามาไปบรรยายที่องค์การพุทธาศาสนิสัมพันธ์อย่งโลกเอามาไปประกาศตรงนั้นเลยคนหลายร้อยคนบอกว่าเนี่ยอามายังเข้าใจผิดอ๋อนึกออกแล้วอามาเข้าใจคําว่ากถาสัมมาวาจานะผิดเพราะวิรติมีสามใช่ไหมกถาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาวิรัติสัมมาวาจา คากสัมมาวาจาเป็นการกล่าวดีเพราะงั้นกล่าวดีก็คือคนพูดทั่วๆไปเนี่ยพูดในจิตเป็นบุญเป็นบาปก็ได้เอามาไปเข้าใจตรงนี้ไงแต่ก่อนซึ่งหาในชั้นของดีกามาเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าอยู่ต่อมาลงไปตรวจสอบดูแล้วผิดแน่นอนเนี่ยแล้วกล่าวว่าอย่างงั้นอยู่สองปอีได้มั้งแต่ก็ง่รู้กล่าวไปกี่ครั้งอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งามานึกได้ตอนนี้เออเราจะเปื้องตวเองยังไงเนี่ย อามาก็เปเรียบเทียตนเองที่องค์การพุทธศาสสันนิษฐานถึงโลกเลยว่าบันทึกกลับไปบอกว่าอามาเนี่ยเคยเข้าใจผิดมาคํ า, าว่ากถาสัมมาวาจาแท้จริงคําว่ากถาสัมมาวาจาเนี่ยเป็นวาจาที่กล่าวดีด้วยมีประโยชน์ด้วยเป็นไปกระเหตุผลของของบุญกุศลนั่นเองในขณะนั้นฐานของกถาสัมมาวาจาได้แก่กุศลไม่ใช่กุศลอย่างเงี้ยถ้าเจตนาสัมมาวาจาท่านขับเน้นตัวเจตนาเป็นประธาน ที่เป็นไปกับกุศลกิโดบาทที่เป็นปัจจัยในการเปล่งการกล่าวออกมาอย่างนี้เป็นต้นตัวหนึ่งขับเน้นตัวกุศลตัวหนึ่งขับเน้นตัวเจตนาถ้าวิรติสัมมาวาจาเอาตัววิรติสัมมาวาจาวิรติที่เป็นตัดรอนเวระเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จพูดเพ้อเจ้อเอเข้าไปพูดส่อเสียดคําหยาบแล้วก็เพ้อเจ้อฉะนั้นไอตัวไปตัดรอนเวระเจตนาเป็นสภาวธรรมที่ไปตัดรอนได้ เมื่อนั่งแท่นอยู่ในใจของท่านผู้ใ ด, ดแล้วก็ไม่ให้หรือเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเทศจเนะี่ยไหลเข้าสู่ในกระแสจิตแล้วก็ไม่ไม่เป็นเหตุแห่งการเปล่งกล่าววาจาที่ชั่วออกมาอย่างนี้ก็เออมาก็ต้องไปเปลืองตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมต้องกล้าบอกไหมต้องกล้าเพราะความที่เรานั้นเนะ่ะบางมุมเนะี่ยถ้าเรารู้ตนต้องประกาศแล้วก็ การขอเข้ามาต่อพระธนตัตใเราก็ต้องน้อมไหว้บางคำบางการกระทาและบางความคิดที่ไปกระทบสัพพัญญุตยานของพระศ า, าสด า, า, าพระข้าพเจ้ากล่าวประทอาจจะมีพังผือขอพระศ า, าสดาจงงดทึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปใช่ั้ยแล้วก็น้อมทำอย่างนี้อันนี้ก็แปลว่าใจเราไม่น้อมถือดือ้อแข็งกระด้าง ต่อพระธรรมคําสอนของพระศ า, าสดาพร้อมที่จะเปลี่ยนเมื่อเจอสิ่งที่ถูกต้องดีไหมถ้าอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่ได้ตั้งธงชูธงเหมือนมานะนี่เราจะแบกไปทําไมมานะใช่ไหมแบบถ้าลักขนาดนี้เขาเรียกเปื้อนตนบางคราวเราอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมเราก็เปื้อนตนของเราทุกวันเราน้อมเปื้อนตนถ้าอย่างนี้ชื่อว่าการได้มีโอกาสเข้าใจพระศ า, าสดาก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้น ใชถ้างั้นจะยิ่งห่างไหมเราจะห่างภาษาสดาไปกันคนลรทางนะักเขา้านะัเขา้าไม่รู้ใครเป็นศาสดาแล้ ว, ว <laughs> บุญกันเนาะยังจะไปวัดข้ อ, ขอพระพุทธเจ้าอีก โ, โอ้คนละเรื่องกันเลยใช่ไหมคนละเรื่องเลยเราเราเป็นทุกขตะใช่ไหมปัญหาการะบูเตปฏิคันหาโตให้พระพุทธเจ้ารับบรรณาการของคนยากเราเป็นมหาทุกขตาไหมเป็นไม่เป็น เป็นหรือทาไมจึงเป็นมหาทุกขะตะเราจะต้องประสบชาติทุกข์อยู่ไหมชะลาทุกข์ไหมพยาที่ทุกข์มรณะทุกขนะ์เนี่ยอ๋อเป็นมหาทุกขตะเป็นมหาทุกขตะฉะนั้นเราเป็นคนยากฉะนั้นเวลาจะไปถวายบรรณาการต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยยังขอร้องให้พระศาสดาโปรดทรงรับเครื่องบรรณาการของคนยาก คนที่จะต้องตกร ะ, ะกรรมลำบากในอนาคตเธอถ้าพระศ า, าสดารับครั้งนี้แล้วข้าพเจ้าจะขอพ้นจากความเป็นคนยากไร้ดีจะ <c oughs> มา เ, เราไม่อยากเป็นแล้วทรมานเนี่ยใช่ไหมคนยากไร้คนลําบากเนี่ใช่ไหมไม่เอาแล้วฉะนั้นเราต้องการอยากจะเป็นทาสของพุทธเจ้าก็ว่าตรงนี้แ่ะอันนี้ก็แปลว่ายอมไหมยอมตนยอมตนเป็นทาสเข้าใจคําว่าเป็นทาสไหม ยอมตนเป็นทาสรับใช้พระศาสดาอยู่ใต้เบื้องพายุคลบาทพระศาสดาอย่างแท้จริงเนี่ยนะคนเป็นทาสนี่จะมีกระด้างกระเดืองกระนายไหมไม่มีเลยนะี่ยแต่ที่ผ่านมาเข้าไปเจ้าไปมัวเป็นทาสของตันหาตันใช่ไหมตันหาอยากให้เราทําอะไรทำหมดเจ็บป่วยขนาดไหนก็บอกให้ลุกไปทํางานก็ไปนะเป็นทาสที่ซื่อสัตย์กับตันหามานานแล้วไม่เอาแล้ว โอยเจ็บปวดจริงๆเนี่ยตัณหามันใช้เราเนี่ยใช้อย่างไม่ปานีประสายเลยใช่ไหมโอใช้จริงๆใช้บางทีเนี่ยบางทีดูหนังสือจนตาแทบบอดตัณหามันใช่ดูไปที่จะได้มีจบมีวิชาความรู้วงั้นมันหลอกเราเยอะท่ามใยอะแล้วแปลกมากพอมันใช้เรามันก็หลอกใช่ไหมมันก็หลอกเรามันหลอกว่าเนี่ยตอนนี้คุณเป็นพ่อเนะย ตอนนี้คุณเป็นแม่เนะตอนนี้คุณยิ่งใหญ่เนะตอนนี้คุณเป็นเศรษฐีมหมาเศรษฐีนะตอนนี้คุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นครูเป็นหมอเป็นพย า, าบาลบอกหมดเลยแต่แล้วก็นึกว่าเออเป็นจริงจริงที่ไหนกว่าจะรู้ว่าโดนหลอกโอ้ยเบียดเล ย, ย, ย, ยนั้นสภาพธรรมเนี่ยที่ทำให้จิตเนะ่เกิดความไม่เชื่อเพราะกายปาคุณญญตาจิตตาปาคุ ญ, ญาตานี่เป็นธรรมชาติที่ไม่ป่วยไม่เสียแทงของจิตและเจสิกใช่ม ตอนนี้จิตป่วยจิตป่วยทำยังไงเราจะกําจัดความเจ็บป่วยและความสียแทงของจิตได้เพราะก็คือตัวเต่ของกุศลที่เป็นประเภทปาคุญยะปาคุญยะตอนนี้นะเขาบอกว่าสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสมีความไม่เชื่อและความเลื่อมใสต่อพระัตนตรัยกรรมผลของกรรมเนี่ย น, นั้นเป็นธรรมชาติที่ทําให้จิตป่วย ถามว่ามูอกุศุลธรรมทั้งหลายที่เป็นที่เกิดจากอสสัตยญธรรมนะอันนั้นเป็นโรคเป็นความเจ็บป่วยเป็นความเสียแทงเนะาะอกุศุลธรรมที่ประกอบไปด้วยอสสัตยญถูกเขาเรียกจิตป่วยจิตมีโรคนี่นะจิตป่วยจิตมีโรคก็เพราะว่าจิตนั้นมีโรคคือกเิเลสเสียแทงอยู่ตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นผู้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่สนใจในทานนะ ในทานกุศลในศีลกุศลในสมถะภาวนาในวิปัสสนาภาวนาเป็นต้นนั้นจิตเยรศิกของผู้ไม่มีศรัทธาเป็นธรรมที่ฝึกฝนจำนานคล่องแคล่วจุดในทานกุศลแต่ถ้าเรามาเรามาฝึกใหม่พอสภาพของกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เทียว่เาเรากําลังมาฝึกไหมเนี่ยฝึกให้กุศลจิตนั้นมีความคล่องแคล่วในทานกุศลในศีลกุศลในภาวนากุศล และตอนนี้เริ่มมองเห็นทุกอย่างเป็นทานในกุศลได้ยังเห็นทุกอย่างเป็นศีลได้หมดได้ยังเห็นทุกอย่างเป็นสมถะภาวนาแล้ววิปัสนาภาวนายังไม่ได้เรียนเนาะที่จริงเป็นได้ไหมเป็นได้เลยอ่ะฉะนั้นเขาเรียกจิตนั้นคล่องแคล่วแล้วถ้าคล่องแคล่วอย่างนี้แปลว่าจิตไม่ป่วยตอนนี้มีปัญหาไหมจิตนะ่ะมีปัญหามากเลยแล้วมองแล้วศีลเกิดไม่ได้เนี่ยมีปัญหาแล้วนะใช่ไหม แทนที่จะให้ศีลเกิดได้แล้วเกี่ยวข้องในที่ต่างๆแต่ศีลไม่ยอมเกิดคิดยังไงก็ไม่เกิดคิดยังไงก็ไม่เกิดเคยเป็นไหมเอาฟังทำแล้วศีลไม่เกิดใช่ไหมไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวศีลสมาธิปัญญาไม่เกิดแปลว่าแปลว่าไม่ได้ความคล่องแคล่วในทานศีลภาวนาหรือในในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจิตป่วยจะเป็นเังไงเอาคนป่วยเนี่ยเขาทำอะไรอื่นอัดไหมอึดอาดมาก ฉะนั้นตอนเนี้ยให้สังเกตว่าจิตเราเนะี่ยวิ่งไปในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลได้เร็วไหมแล้ะคล่องแคล่วไหมชํานาญทุกอารมณ์ไหมพระสาตาจ้าทั้งหลายท่านชํานาญทุกอารมณ์ไหมชํานาญมากใช่ไหมตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้เรายังจะต้องมีงานต้องฝึกอีกเยอะเลยน่าท้อใจไหมเนี่ยไม่ท้อใจนะเนี่ยตอน ให้สําคัญเสมอว่าเราเป็นผู้เราเป็นผู้ป่วยไหมเป็นผู้ป่วยฉะนั้นการเป็นผู้ป่วยต้องไม่ขาดการเข้าหาหมอตั้งบอกแล้วใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเข้าหาหมอกี่ครั้งอย่างเรานี่อย่างเรานี่เป็นผู้ป่วยระดับไหนนะที่ว่าเต๋ชอช้เช้าถ้าโคมา่าแปลว่าต้องเสียบสาย เออนั่นแหละที่จะต้องการพูดคำนี้แหละต้องสายน้ำเกลือตลอดไหมต้องให้ยาตลอดไหมต้องให้ยาตลอดเพราะป่วยระดับโคม่าแต่พวกเราเป็นคนป่วยประเภทที่ไม่ชอบรักษาเวลาหมอไม่อยู่ก็หักบีบสายน้ำเกลือเป็นงี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ชอบให้แล้วกลัวไงเราไม่อยากให้ให้ยาใช่ไหม ไม่อยากให้ยานั้นกลับไปก็ให้ยาตอนนี้เริ่มให้ใช่ไหมอึดอัดไม่เวลาตอนให้ยาเนี่ยไม่อึดอัด น, นะคล่องแคล่วดีนะมีเผลอเผอแล้วไม่ให้ไม่ให้ยาเข้าสู่กะระแสความคิดบ้างไหมนั้นคําสอนต้องให้เข้าเนะเวลาเราจะคิดเรื่องอะไรเอาตอนนี้ก็เริ่มมานั่งคิดในชั้นคําสอนท่านทึงสอนบอกว่าเ อ, อเราจะให้ทานกุศลเกิดทางทวารตายยังไง กให้ทานกุศลเกิดทางทวารหูอย่างไรให้ทานกุศลเกิดทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจอย่างไรศีษก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันถ้าใครเดินเดินศีลสมาธาวิปัสสนานะได้คล้องแค่ทุกทวาร น, นะท่านพูดนั้นแปลว่ามีโอกาสหายจากโรคในชาตินี้พอไหวไหมมีโอกาสแน่นอน เห็นมเพราะว่าทำศีลหรือทำทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เกิดได้ทุกตะวานเช่นเห็นปุ๊บเห็นรูปารมณ์เนี่ยถ้าเป็นทานกุศลใช่นไหมน้อมศีลเป็นประธานถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเสียงเป็นต้นเหไรเนี้ยกลิ่นรสโอชา ที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเป็นต้นอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็โพธิพราแล้วก็ธร ร, รมมาลมธรรมมารมก็พวกวิตามินทั้งหลายที่เข้าไปหล่อเลี้ยงกระแสขันของพระซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยอย่างนี้เป็นต้นหรือของผู้ปฏิบัติทำเป็นต้นน้อมถวายพระรัตนตรัยอย่างนี้อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยน้อมเป็นทานากุศลได้ไหมเนี่ยถวายเป็นผู้ดูชา่ายใช่ไหมเอาถ้าถ้าถ้าถือเดินไปเป็น กายกรรมไหมกายกรรมเป็นทานกุศลไหมพูดด้วยเอารวมกันโมทนาเป็นวจีกรรมที่เป็นทานกุศลอยู่นิ่งๆไม่ทํากายวาจาให้เคลื่อนไหวเป็นใช่ไหมน้อมถวายนั่นเป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลนั่นมันชํานาญอย่างนี้หรือเปล่าที่ผ่านมาทําแบบนี้ไหมไหทําไม่ได้รีบเดินดุ่มๆไปเลยไ ม, ไม่ได้คิดเลยใช่ไหมเห็นไหมโอ้เสียเม็ดบุญไปตั้งเยอะ น่าจะได้เม็ดบุญที่เป็นกายกรรมที่เป็นทางกุศลวัีิกรรมที่เป็นทางนกุศลมโนกรรมที่เป็นทางกุศลปลารบสีเป็นประธานปารบกลิ่นเป็นประธานปารบรสเป็นประธานปารบโผทั้าเป็นประธานหรือปลารบธรรมะธรรมารวมคืออาหารหรือโอชาที่ไปหล่อเลี้ยงกระแสขันต่างๆเหล่านั้นเป็นประธานเราไม่ได้ปลารบใดๆเลยใช่ไหมนี่เป็นทานกุศลอย่างนี้เป็นต้นต่อไปเราจะได้เม็ดบุญเยอะไหมถ้าอย่างเนี้ยนั้นอยู่ที่ความเข้าใจจริงๆไหม อย่าแปลกใจคนเดินไปเดินไปไปเสร็จแล้วก็บรรลุกันได้มันได้จากข้อมูลอย่างนี้แล้วอยู่ๆมันจะบรรลุพุทธขึ้นมาได้ไหมหมายมาจนบนฐานที่ไม่ได้ข้อมูลใดๆแล้วเราบรรลุนี่ประหลาดไหยเป็นเรื่องประหลาดแปลกใจมากเลยบรรลุยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมอยู่ๆมันพุทธขึ้นมาได้ยังไงมันไม่มีฐานมาจากพื้นฐานเดิมๆเลยและเป็นศีลน่ะ ถามว่าการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระรัตนตรัยเป็นวงเป็นประเพณีของบริษัทของพระศาสดาไหมเมือนเป็นศีลนแน่ๆเพื่อเป็นจารีตเป็นจารีตจารีตศีลที่เป็นไปกับกุศลถือแล้วเดินไปน้อมว่าอ๋อเป็นประเพณีเป็นจารีตเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นชาที่ชาวพุทธ ควรปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, บ, า, รร บ, าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาพระรัธนไทรใช่ไหมพิจารณาเดินไปอย่างนี้กลายเป็นกายกรรมที่เป็นศีลใช่ไหมชวนลูกไปบูชาพระรัธนไทรไปเรามีน้ำหนึ่งแก้วมีอาหารหนึ่งแก้วหนึ่งถ้วยอะไรก็จะใช่ไหมชวนวงศสาคาญาติชวนบุคคลอื่นไปนิวปจีกรรมที่เป็นล่ะเป็นศีลกุศล ยืนนิ่งๆไม่ทำกายและวาจาให้มีการเคลื่อนไหวคิดน้อมวงตระกูลของพระอริยะทั้งหลายเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นบริษัทของพระศาสดาการกระทำเช่นนี้เป็นวงเป็นตระกูลของเราเป็นอะไรมนโนกรรมที่เป็นศีลกุศลเห็นไหอย่างนี่ได้จริงด้วยใช่มอ่าตอนนี้ก็ถือไปเลยแต่เนี้ยในขณะที่ถือไปเบเสร็จเนี่ย กำลังเดินไปนั่นน่ะอีตีพิโซภาคาวาอาหังใช่ไหมอันนี้วิกีกรรมที่เป็นอะไรที่เป็นภาวนากุศลใช่ไหมเดินไปตรึกในใจน้อมไปที่จับไปบูชาพระศาสดานี้เป็นกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลเป็นสมับภาวนาก็ได้นะตอนนี้นะแล้วไม่ทํากายวาจัยเคลื่อนไหว น้อมตึกว่าอะระหังเป็นผู้ไกลเ ก, กิเยดแต่นึกในใจเปอย่างนี้นะสัมมาสัมพุโทโธตัดสรู้ชอบได้โดยตนเองบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระรูปทรงเป็นต้นอันนี้มโนกรรมที่เป็นภาวนากุศลเป็นสมถะภาวนาไหมเป็นสมถะภาวนาเริ่มเดินเป็นไหมตอเนี้ยเริ่มได้ทั้งสามถวารเลยนะอ้าวต่เนี้ยเป็นวิปัสสนาภาวนาทําไงยมบอน ต้องอยู่ที่ใครภาวนาด้วยนะถ้าเป็นพุทธโธแต่เราไม่ได้รู้ความหมายหรือไม่ได้ใจไม่ได้น้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยก็เป็นแค่วาจาแต่ที่ท่านขับเน้นเป็นภาวนาเนี่ยในขณะที่พุทธโธเนี่ยต้องรู้เนืว่าใจน้อมถึงพระศาสดาตรัสรู้อริยศยยาส์ยังไงเนาะใจเห็นคุณนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาคือปัญญา เห็นคุณของภาษาสดาดูตรงนั้นทีนี้ถ้าเห็นโดยความที่ต้องการที่ใหญ่พุทธคุณนีาานา่เป็นสมถะภาวนาเป็นสมถะภาวนาถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาแล้วเอาอยัางไงดีเนี่ยถ้าเอาแบบคร่าวๆก่อนนี่นะแต่รายละเอียดไปาหวกทีนี่นะในขณะที่เดินไปเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของรู ป, ปรขันธ์ที่กำลังก้าวไปแต่ละครั้งเห็น ไ, ไหม เห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของนามธรรมทั้งหลายที่คิดที่จะก้าวไปแต่ละครั้งทั้งรูปธรรมและนามปธรรมทั้งหลายที่เดินไปนั่นเนี่ยก็เห็นความดับไปเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปไหมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นอันนี้เป็นกายกรรมที่เป็นวิปัสสนาภาวนากุศลใช่ไหมเปล่งวาจาสาทะยายไปก็ยังเห็นความดับไปสิ้นไปของวจีกรรมทั้งหลายที่เปล่งที่กล่าวด้วยใจที่เป็นปัจจัยเก่การเปล่งการกล่าวด้วย ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท, ที่เป็นปัจจัยแก่การเกิดการกล่าวก็มีความเสื่อมไปสิ้นไป น, นี่เป็นภาวนากุศลที่เป็นวิปัติว่าวิปัสนาภาวนาเนอะหรือไปยืนนิ่งๆก็พิจารณาเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของกายกรรมวจิกรรมแม่มนโนกรรมที่กําลังแคร่ควรเป็นต้นเป็นไปตามแต่อันนี้มนโนกรรมที่เป็นวิปัสนากุศลอันนี้มองมุมนี้ก่อนนะีแต่รายละเอียดมีเยอะกว่านั้น ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่กำนนงตอนนี้ท่านหมายนี่พูดถึงในย่าชำนาญแล้วแต่ถ้ารายละเอียดนังต้องว่ากันยาวเลยอันนี้พูดให้เห็นมุมก่อนว่าเนี่ยเขาเดินภาวนาที่เป็นวิปัสสนาเขาเดินอย่างนี้เรีนบอ